สวดมนมาสักครู่นะสังเกตใจของตัวเองบ้างไหมว่ามันลอยมันฟุ้งไปทางไหนบ้างนะเช่นเดียวกับเวลาที่เราปฏิบัตินะเดินจงกรมก็ดีสร้างจังหวะก็ดีนะใครที่ทำมาหลายวันเนี่ยก็คงจะสังเกตได้นะว่าใจของเรามันฟุ้งไปโนอนไปนี่ ใครที่รู้ใครที่สังเกตแบบนั้นน่นะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะอยากจะไปตาหนิตัวเองว่าทำไมเราฟุ้งเยอะเหลือเกินถึงแม่จะฟุ้งเยอะฟุ้งมากนะแต่ว่าถ้าสังเกตนะว่าใจเราฟุ้งอันนี้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้านะเพราะว่าก่อนมาปฏิบัติเวลาใจฟุ้งเนี่ย เราก็ลอยไปกับความฟุ้งด้วยความคิดมันพาไปไหนนะใจก็ไปตามไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้ได้ซ้าว่าฟุ้งนะหรือว่าไม่ก็รู้หลังๆแต่ถ้าเกิดว่ามาปฏิบัติแล้วก็เริ่มสังเกตว่าเออมันฟุ้งนะมันฟุ้งเยอะด้วยอันนี้ก็ถือว่านะ เป็นเรื่องดีดีกว่าฟุ้งเราไม่รู้นะอย่างนี้เรียกว่าแม้จะหลงนะแต่ก็ยังดีที่รู้ว่าหลงทีแรกเนี่ยนะมันฟุ้งไปแล้วเนี่ยจบเรื่องแล้วถึงค่อยรู้ตัวถึงค่อยรู้ว่าคิดไปไกลนะแต่ต่อไปต่อไปเนี่ยพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปนะคิดไปเจ็ดแปดเรื่องเนะี่ยจึงค่อยรู้ นะรู้ตอนท้ายนะเหมือนกับเริ่มเห็นท้ายขบวนแล้วนะคือความคิดของเรานี่มันเปรียบได้เหมือนกับขบวนรถไฟนะคือมันมีหลายตู้นะคิดหลายเรื่องอาติด ก, กันเป็นพื้นเลยแต่ก่อนนี่เหมือนกับว่ารถไฟมันผ่านไปแล้วยังไม่รู้เลยนะว่ามีรถไฟผ่านแต่หน้าที่อยู่บนชานชาลาแต่ตอนนี้ก็เออ <pouch. S 2> มันยังไม่มันยังไม่ทันจะรับสายตาเลยก็เห็นเห็นท้ายขบวนคือมันผ่านไปแล้วก็จริงแต่ว่าก็ยังพอรู้ว่าฟุ้งไปนะอันนี้เริ่มมันก็เห็นท้ายขบวนตอนหลังเนี่ยนะก็จะเริ่มเห็นนะขบวนท้ายๆแล้วมันยังไม่ทันจะอ่าไม่ทันจะผ่านไปไกลขบวนท้ายๆยังไม่ทันจะ ผ่านสถานนี้เราก็เห็นละอันนี้ว่ามีพัฒนาการนะมีพัฒนาการและพอฝึกไปฝึกไปขบวนรถนะหรือขอบวนความคิดมันก็จะสั้นลงแต่ก่อนมันมีเจตู้นะยาวแต่พอทำไปทาไปขบวนความคิดมันก็เหลือสีหตู้เรามารู้ทันนะตอนที่ผ่านไปแล้ว ตู้ที่สี่ตู้ที่ห้ามันก็ไม่เกิดนะมันก็ไม่มีตู้อื่นตู้อื่นคือตู้หกตู้เจ็ดตู้แปดก็หายไปถ้าเราไม่รู้ทันมันนะมันก็จะมีตู้ที่หกตู้ที่เจ็ดตู้ที่แปดยาวเป็นกระบวนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สังเกตหรือเห็นความฟุ้งซ่านของใจตัวอย่าไปหงดหงียบลำคานนะ ว่าทำไมเราคิดเยอะคิดยาวหลายคนเนี่ยพอมีความฟุง้งแล้วทั้งที่เห็นความฟุ้งนะในใจตัวเองก็ไม่ค่อยพอใจเพราะอะไรนะเพราะปรารถนาความสงบความสงบที่ตัวเองปรารถนาหรือคาดหวังเนี่ยคือมันไม่ฟุ้งเลยหรือมันฟุ้งแต่น้อยให้เรามองว่าเออ นะเพียงแค่แค่รู้ว่าฟุ้งเนี่ย น, นะมันก็ดีแล้วแล้วเราก็ต้องอาศัยความฟุ้งนะอาศัยประโยชน์จากความฟุ้งที่มันเกิดขึ้นเพื่อที่จิตใจนะจะได้ใช้เป็นเครื่องซ้อมสตินะสติลมันก็เหมือนกับคู่ชกนะมันก็นักมวยที่ต้องการคู่ซ้อมหรือเหมือนกับเด็กนักเรียนที่ต้องการ ต้องการการบ้านนักรบเอนักมวยนะถ้าไม่มีคู่ซ้อมนะก็จะไม่มีความแข็งแรงปราดเปรียวแล้วก็ฉลาดเฉลียวเด็กถ้าไม่มีการบ้านให้ทำนะก็จะไม่ฉลาดเหมือนกันใหม่ๆการบ้านอาจจะยากนะผิดมากกว่าถูกนะทำผิดเยอะทำถูกได้น้อยนักชกมือใหม่ ก็อาจจะพลาดท่าเสียทีคู่ซ้อมแต่ถ้าหากว่าไม่ท้อถอยนะไม่กลัวนะความผิดพลาดกล้าที่จะทำนะกล้าที่จะซ้อมเราก็จะถ้าเป็นนักเรียนก็จะฉลาดมากขึ้นฉลาดมากขึ้นผิดน้อยลงถูกมากขึ้น ส่วนนักชกนะนักมวยก็จะจะรู้ทันรู้ทางนะคู่ชกแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะได้ในที่สุดสติของเราเนี่ยมันต้องการนะมันต้องการบททดสอบนะก็คือความฟุ้งนี่แหละเป็นบททดสอบอันหนึ่งมันเกิดขึ้นบ่อ ย, อยๆเกิดขึ้นบ่อยๆนะแก็พยายามรู้ทัน นะมันให้ไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นอย่าไปพึงพอใจกับความสงบหรืออย่าไปคาดหวังความสงบเพราะมันอาจจะไม่ต่างจากนักเรียนที่ไม่มีการบ้านนะเรียนจบในแต่ละวันก็ไม่มีการบ้านก็สบายดีไม่ต้องปวดหัวกับการบ้านที่ครูให้มาหรือเหมือนกับนักมวยที่ไม่มีคู่ซ้อมเออมันก็สบายดีนะแต่ว่ามันไม่เกิด การเติบโตไม่เกิดพัฒนาการปัญหาของนักปฏิบัติเนี่ยก็คือพอปราถนาความสงบนะอยากให้ใจมาสงบก็จะเริ่มไปควบคุมความคิดไปบังคับจิตไม่ให้คิดแต่จิตเนี่ยมันไม่ยอมนะมันไม่ยอมให้ใครมาบังคับจิตนี่ก็ไม่ต่างจากเด็กวัยรุ่นนะั่นนะ ที่นี่มีเด็กวัยรุ่นหลายคนตัวเราเองเนี่ยก็ไม่อยากให้พ่อแม่บังบังคับใจเราก็เหมือนกันนะมันก็ไม่ต้องการถูกบังคับถ้าเราพยายามไปบังคับจิตให้มันให้มันนิ่งไม่ให้คิดอะไรเลยเนี่ยมันก็จะต่อสู้นะเหมือนกับวัยรุ่นเนะี่ยยิ่งห้ามก็เหมือนกับยิ่งยุแล้วเราก็เหนื่อยนะเหนื่อยกับการ ต่อโซ่ปุกปั้มนะกับจิต ท, ที่มันดิ้นดินมันพยศแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรนะก็ไม่สามารถจะห้ามจิตไม่ให้คิดได้ขนาดแค่ว่าจะบังคับจิตไม่ให้คิดภายในหนึ่งนาทีลองทำดูก็ได้นะไม่ทันถึงนาทีไปแล้วนะแล้วตอนที่จิตมันไปยังไม่รู้ตัวองนะพอคิดจบเรื่องห่งค่อยมารู้โอ้ เราพลาดท่าเสียทีพาสดุ์มันก็ไม่ถึงกับเสียประโยชน์นะหรือว่าไม่ถึงกับไรประโยชน์นะถ้าว่าเราร่ว่าฟุง้งเพราะแต่ก่อนเนี่ยมันไม่รู้เลยฟุ้งอลยนะแ้วก่อนคิดตะลิดเปิดเปิืองแถมสนุกกับการคิดฟุ้งด้วยอันนี้เรียกว่าหลงและยังไม่รูนะ้แต่ตอนนี้เริ่มจะรู้แล้วนะนะ อย่างน้อยก็เห็นท้ายกระบวนคือมันคิดจบไปแล้วถึงค่อยรู้นะหรือว่าเพิ่องคิดจบใหม่ๆก็รู้อันนี้ก็เลยเริ่มเห็นท้ายกระบวนแล้วต่อไปทําไปทําไปมันก็จะเห็นนะเห็นกระบวนที่ห้านะเห็นกระบวนที่4ี่เห็นกระบวนที่สามถ้าเห็นห้ามก็ไม่มี6นะถ้าเห็นสี่ก็ไม่มีห้าถ้าเห็นสามก็ไม่มีสี่นะมันจะกระบวนมันจะสั้นลงสั้นลง ไม่ใช่เพราะจิตมันไม่คิดนะแต่ว่าเป็นเพราะเรารู้ทันและที่รู้ทันพ่อะอะไรพราะสติแต่ถ้าเราพยายามไปบังคับจิตไม่ให้คิดนะพยายามตัดความคิดบางทีกำลังคิดอยู่ดี ด, ดีตัดฉับเลยไอ้แบบนี้ทำไปนานๆจะเครียดนะมันมีข้อสังเกตหรือความแตกต่างระหว่างการรู้ทันความคิดเห็นความคิด กับการห้ามคิดนะหรือว่าการตัดความคิดไม่เหมือนกันนะเห็นความคิดเนี่ยความคิดมันค่อยๆจางหายไปอันนี้สําหรับคนที่ปฏิบัติใหม่ๆพอเห็นหรือรู้ทันความคิดเนี่ยกําลังคิดอยู่เพลินๆนะพอเรามีสติไปเห็นมันนะมันก็จะค่อยๆจางหายไปคล้ายๆเสียงเฟดนะเฟดนะเสียงดนตรีเนี่มันค่อย เ, เฟดหายไป แต่ถ้าเกิดว่าความคิดมันขาดส บ, บั้นหรือว่าหายไปแบบปุับปับเลยเนะี่ยอันนี้แสดงว่าไปกดมันไปบังคับไปห้ามมันเหมือนกับตัดความคิดฉับเลยดูเหมือนดีนะแต่ที่จริงไม่ดีหรอกเพราะว่าทําไปนานๆจะเครียดเพราะว่านี่เป็นการไปห้ามความคิดแล้วความคิดมันมันจะต่อสู้นะพอเราไปห้ามมันบ่อยๆนี่ หลายคนจะรู้สึกหนักหัวแน่นหน้าอกส่วนนึ่งก็เกิดจากการไปเพ่งนะเกิดจากการไปเพ่งไม่ได้ทําแบบสบายๆนะคนเราพอทําอะไรได้อาการเพ่งหรือหน้าดําข้างเคร่งเนี่ยนะมันก็จะเหนื่อยก็จะล้าในเวลาไม่นานแต่ที่สําคัญคือว่าอาการนี่มันเกิดจากการที่ไป กลั้นหายใจคนที่ไปห้ามความคิดแบบตัดความคิดพยายามไปหยุดความคิดเนี่ยเขาจะกั้นหายใจโดยไม่รู้ตัวแล้วบางครั้งบ่อยๆก็ทำบ่อยๆเนี่ยเขาจะแน่นหน้าอ ก, อกเครียดบางครก็รู้สึกหนักหัวปวดหัวอันนั้นเนี่ยให้รู้ว่าคืออาการของการที่ ไปเพ่งไปห้ามจิตไปหยุดความคิดหลวงพ่อเตียนท่านสอนให้ทำเล่นๆทำเล่นๆ น, นี่มันเป็นมันเป็นอุบายแล้วก็มันเป็นเป็นแนวทางที่สำคัญมากทำเล่นๆหมายความว่าทำโดยไม่คาดหวังไม่คาดหวังให้จิตสงบไม่คาดหวังให้ เห็นสีเห็นแสงหรือว่าเห็นรูปนามหรือแม้กระทั่งรู้ทันความคิดพอถ้าเราคาดหวังแล้วจิตมันก็จะเริ่มนะไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็จะมีอาการเกรง็งมีอาการจ้องมีอาการเพ่งอันนี้คือภาวะที่ไม่เป็นธรรมชาติของใจ แล้วก็จะทำได้ไม่นานนะเพราะว่ามันต้องใช้พลังเยอะทำเล่นๆคือไม่คาดหวังแล้วก็ไม่งุดมีถัวเสียเมื่อใจมันฟุง้งหรือว่าใจลอยมันเหมือนกับเวลาเราเล่นกีฬานะถ้าเราเล่นแบบเล่นๆ เ, เล่นเอาสนุกนะกับเพื่อน จะแพ้เราก็ไม่โมโหไม่หงุดหงิดไม่เสียใจถูกเพื่อนยิงประตูะลูกแล้วลูกเล่านะเราก็หัวเลาะนะเคยเล่นกีฬาแบบนี้ไหมทั้งที่แพ้แต่ก็หัวเราะนะบางทีก็เล่นหมากรุกแพ้ก็ยังมีความสุขเพราะว่าเราเอาสนุกนะไม่ได้เอาแพ้เอาชนะอย่างนี้ว่าเรียกว่าเล่นแบบเล่น เ้พที่เล่นแบบจริงจังเนี่ยนะจะเครียดนะเพราะว่าต้องการเอาชนะให้ได้มันจะเริ่มไม่สนุกแล้วจะเริ่มเครียดแล้วก็อาจจะถึงขั้นผัก อ, อกอชกต่อยกันกับคู่ต่อสู้หรือบางทีก็ด่าเพื่อร่วมทีมเพราะว่าส ก, กัดไม่ดีเล่นนะไม่ตั้งใจเล่น ถูกฝ่ายตรงข้ามหรือคู่ต่อสู้เขายิงไปแทนที่จะได้ความสามัคคีได้ความสนุกก็กลายเป็นทะเลาะวิวาแล้วก็หมางใจกันไม่ใช่กับเพื่อนต่างทีมแต่ว่ารวมถึงเพื่อนในทีมด้วยแต่ถ้าเราทำเล่นๆ น, นะออจะแพ้บ้างนะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเล่นเอาสนุกเนะี่ยไอ้การ เริญสติแบบหลวงพ่อเทียนก็นเหมือนกันนะลองตั้งใจแบบนี้ว่าทำเล่นๆมันจะฟุ้งบางก็ช่างมันเริ่มต้นใหม่ทุกทีไปแต่บางคนนี่ไม่ยอมนะพอฟุ้งเนี่ยนะก็จะโทษตัวเองตำหนิตัวเองบางทีก็จะพยายามย้อนกลับไปทบทวนว่าแบบเมื่อกี้คิดอะไรทำไมถึงคิดหยุดคิดได้แล้วโว้ยนะอันนี้ยนี้อันนี้เป็นอาการของคนที่ไม่ได้ทาเล่นๆทาเล่นๆ เ, เ, เนี่ยนะมันทาให มันจะช่วยทำได้นานไอ้คนที่ทำจริงๆเนี่ยทำด้วยการหน้าดำข้างเคร่งเนี่ยดูเหมือนดีนะแต่ว่าทำด้วยความทุกข์เพราะว่าจิตมันไม่ยอมร่วมมือด้วยและต่อไปก็จะทำได้ไม่นานถาถามหลายคนนะว่าปฏิบัติเป็นยังไงนะเมื่อกลับไปบ้านญาติโยมหลายคนเวลามามาเยี่ยมนะ ก็ถามเขาเรื่องการปฏิบัตินะหลายคนก็จะบนว่ามันฟุ้งเยอะหรือเกินเคยบางทีแนะนำให้เขาว่าไม่ต้องทำมากทำแค่ห้านาทีเขาก็บอกทำไม่ไหวเนี่ยมันฟุ้งมากแค่ห้านาทีก็ฟุ้งแล้วที่จริงความฟุ้งไม่ใช่ปัญหานะปัญหาคือใจที่ไม่ชอบความฟุ้งทำไมถึงไม่ชอบเพราะว่าไปคาดหวัง ปรารถนาความสงบจิตมันก็เลยตั้งตัวเป็นศัตรูกับความฟุง้งพอเราตั้งตัวเป็นศัตรูกับความฟุ้งเนี่ยนะก็ยิ่งตกอยู่ในอำนาจของมันเมื่อใดก็เมื่อใด ก, ก็ตามที่เราโกรธเกลียดสิ่งใดก็เท่ากับว่าเรากลังเปิดโอกาสให้สิ่งนั้นมามีอิทธิพลต่อเราคนที่โกรธเกลียดสิ่งดัง ไม่ชอบเสียงดังเนี่ยบางทีเจอเสียงที่รบกวนไม่ดังก็หงุดหงิดแล้วเวลาเราโกรธเกลียดใครเช่นโกรธเกลียดเพื่อนบ้านโกรธเกลียดเพื่อนโรงงานแค่หน้าของเขาหรือเสีย ง, ขงเขาก็ทําให้เราเครียดล้วเขามีอำนาจมีอิทธิพลกับเราถึงขนาดนี้ชื่หรือ แล่เขามีอำนาจมีที่ผลกับเราขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> ก็เพราะเป็นเรานะละที่ไปให้อำนาจเขาหรือให้อำนาจเขาอย่างไงหราอให้อำนาจเขาด้วยการที่เราไปโกรธเกลียดเขาเขาก็จะมีอำนาจเหนือเราทันทีลองสังเกตดูนะเวลาเราโกรธเกลียดสิ่งใดสิ่งนั้นจะมีอำนาจเหนือเราทันทีบางคนกลัวตุ๊กแกไม่ชอบตุ๊กแกเกลียดตุ๊กแก ทุกแกก็จะมีอำนาจเหนือเราทันทีแค่มันโผล่หางให้เราเห็นนี่เราก็ใจกับเพิ่มแล้วอย่าไปโทษทุกแกแต่แต่ไปโทษว่าเป็นเพราะใจเรานี่แหะไปให้อานาจกับมันทำให้มันมีอำนาจเหนือเราถ้าไม่ให้มันมีอำนาจเหนือเราก็ลองทำใจเป็นกลางกับมันดูถ้าเราไม่อยากจะให้เพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานมามีอานาจมีทิพนเหนือเราจนเราเครียด จนเรานอนไม่หลับนะมันก็ง่ายนิดเดียวนะก็เพียงแต่เราลดความโกรธความเกลียดหรือยิ่งถ้าเปลี่ยนมาเป็นเมตตาด้วยเนี่ยเขาก็จะไม่มีอำนาจเหนือเราเลยความฟุ้งก็เหมือนกันนะความฟุ้งเนี่ยมันมันรบกวนเราเนี่ยเป็นเพราะเราไปให้อำนาจกับความฟุ้งนะ คือไม่ชอบหรือรู้สึกลบกับมันอย่างที่บอกไว้แล้วการที่เราเห็นความฟุ้งนี่เป็นเรื่องดีนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเห็นเท่านั้นไม่ทันเห็นอาการที่เป็นลบหรือความรู้สึกลบที่เรามีต่อความฟุ้งหรือไม่เห็น ไม่รู้ทันความทุกข์นะที่มันเป็นปฏิกิริยากับความฟุง้งนะลองสังเกตดูตรงเนี้นะลองสังเกตเห็นอาการหรือความรู้สึกลบนะถ้าเราเห็นมันเนี่ยก็ถือว่าเรานะมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติอีกขั้นหนึ่งคือเห็นใจที่มันไม่เป็นกลางนะกับความฟุ้งที่เกิดขึ้น ลองศึกษาพิจารณาดูดีๆนะว่าจริงๆเนี่ยปัญหาอยู่ที่ความฟุ้งหรือเป็นเพราะใจที่ไม่ชอบความฟุง้งอุปมาอปไมก็เหมือนกับลิงอะนะลิงเนี่ยนะมันธรรมชาติมันคือไม่ชอบกับปิถ้าเกิดมือมาไปถูกหรือไปเพื่อนกับปิเข้าด้วยเหตุผลใดก็ตามมันจะอยู่ไม่เป็นสุขเลย มันเจามือเอานิ้อเนี่ยนะที่เปื้อนกับปีเนี่ยถูกับหินหรือว่าถูกับเปลือกไม้ถูเสร็จก็จะมาดมว่ามีกลิ่นไหมมีกลิ่นมันก็ถูอีกถูจนหนังถลอกแม้กระนั้นก็ยังไม่หยุดถูถูจนเป็นแผลเลือดไหลาบางทีเวอะวะเห็นแล้วก็น่าสมเพชคำถามคือว่า อะไรทําให้ลิงเป็นแผลอะไรทําให้ลิงเนี่ยมีแผลเบิ่งเถ้าตอบว่ากระปีนี่ไม่ใช่นะกระปีมันไม่ทําให้ลิงมีแผลหรอกแต่ที่จริงความเกลิกกระปีต่างหากกระปีมไม่สามารถจะสั่งให้ลิงเนี่ยเอามือเอานิ้วถูกระหินได้แต่ความเกลิกกรปีต่างหากที่สั่งให้ลิงเนี่ยมันถูถูถู ถ, ถ, ถูความเกลิมันสั่ง ปัญหาจริงไม่ใช่กะปินะปัญหาจริงหรือตัวการจริงๆคือความเกลียดกะปิแล้วความเกียดกะปิอยู่ไหนอยู่ในใจลิงนถ้านอนเดียวกันนะความฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่ปัญหาไอ้ปัญหาคือใจที่มันไม่ชอบนะไม่ชอบความฟุ้งซ่านมันเกิดขึ้นทีไรนะก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา เป็นทุกข์เพราะจิตมันอยากจะผลักใสถ้านะถามว่าทำไมถึงไม่ชอบนะมันก็เพราะว่าอยากสงบนะพออยากสงบปุ๊บก็จะเห็นหรือรู้สึกว่าความฟุ้งซ่านเป็นปฏิปักษนะ์กับการปฏิบัติของเราลองสังเกตดูใจของเรานะอย่าไปเห็นแต่ความฟุ้งซ่านให้เห็นความรู้สึกลบที่มีต่อความฟุ้งซ่านด้วย แล้วถ้าเราไปรู้ทันนะหรือว่าเห็นไอความฟุ้งซ่านเนี่ยแล้วก็เห็นความรู้สึกเล่าต่อความฟุ้งซ่านเนี่ยใจมันจะกลับ ม, มาเป็นปกติได้เร็วขึ้นใจมันจะกลับ ม, มาเป็นกลางฟุ้งก็ฟุ้งไปนะแต่ว่าใจก็ไม่ได้หงุดหงิดไม่ได้ํำคาญนะแล้วทำให้เรามีความเพียรมีฉันทะในการปฏิบัติไปได้เรื่อยๆ นะแต่ถ้าว่าใจเรารู้สึกลบกับความฟุ้งซ่านไม่ชอบความฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะปฏิบัติได้ไม่นานอย่างที่ยกตัวอย่างเนี่ยหลายคนก็บอกว่าแม้แต่ปฏิบัติห้านาทีเขาก็ไม่ไหวมันฟุ้งเหลือเกินนะแค่ห้านาทีก็ไม่ไหวเลยนะเพราะว่ามันฟุ้งไม่ใช่หรอกนะ ลองสังเกตดูนะไอความรู้สึกลบนะที่มันมีต่อความฟุง้งซ่านรวมทั้งอารมณ์อื่นๆด้วยความโกรธความเศร้านะไอพวกนี้มันยิ่งกว่าความฟุง้งซ่านอีกถ้าเรารู้ทันมันนะเราจะไม่พลีพลามไปกดไปข่มมัน หลายคนพยายามกดข่มอารมณ์ต่างๆที่เป็นอกุศลเช่นความโกรธความเศร้าการกดข่มนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์เลยมีประโยชน์ชั่วคราวอาจจะทําให้เราไม่ไม่พูดอะไรที่แยๆออกๆไปแต่ว่าใจามันก็ยังรุ่มร้อนความโกรธก็ไม่ได้หายไปไหนแต่ถ้าเราลองฝึกให้มรารู้ทันเห็นมันเห็นความโกรธแล้วก็รู้ เห็นความรู้สึกลบต่อความโกรธหลายคนบอกว่าเนี่ยทำไมรู้ว่าโกรธทำไมยังไม่หายโกรธนะเพราะว่าพอรู้ว่าหายพอรู้ว่าโกรธปุ๊มในใจมันจะเข้าไปกดไปขมทันทีไอ้ตรงนี้แหละนะที่มันเป็นปัญหาอะไรก็ตามที่เรากดขมผลักใสเนี่ยมันจะคงอยู่นะมันมีคำพูดนะที่เป็นแง่คิดกับสระการปฏิบัติ อะไรที่เธอผลักใสจะคงอยู่อะไรที่เธอตะหนักรู้จะหายไปอะไรที่เราผลักใสเนี่ยเช่นอะไรบ้างความวุ่นวายความโกรธความเศร้าวความรู้สึกผิดยิ่งผลักใส ย, ยิ่งกดข่มมันก็ยิ่งอยู่เหมือนกับดื้อด้านแต่เพียงเราแค่เรารู้ทันมันเนี่ยมันก็จะหายไปนะอันนี้ก็เหมือนกับที่มีคนมาถามหลวงปู่ดูลนะตุโลนะหลวงปู่ดูลนั่นเป็นลูกศรษฐลูกแรกของหลวงปู่มั่นนะก่อน หลวงตามหาบัวมีคนถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ทำไงจะตัดความโกรธให้ขาดนะอันนี้เป็นคำถามของหลายคนทำอย่างไรจะตัดความโกรธให้ขาดหรือทำไงจะกดข่มความโกรธให้มันหายไปท่านตอบว่าไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันมันก็จะดับไปเองแค่รู้ทันมันคือแค่เห็นมัน การทําเล่นๆเนี่ยทําเล่นๆไปฟุ้งบ้างหลงบ้างรู้บ้างทําไปเรื่อยๆเนี่ยทําไปเรื่อยๆมันจะฟุ่งแค่ไหนก็ไม่ท้อนะเหมือนกับคนที่เริ่มขี่จักรยาใหม่ๆนะคนที่เริ่มกี่จักรยาใหม่ๆเนี่ยนะมันก็มีแต่จะล้มอะ่ะแล้วถ้าเราเห็นว่าเอ้ยล้มบ่อยๆงี้เลิกดีกว่า อย่างนี้ก็ไม่มีทางขี่จั ก, กรยานเป็นคนที่ขี่จั ก, กรยานเป็นเพราะอะไรเพราะเขาไม่กลัวล้มนะก็ขี่ไปเรื่อยๆล้มแล้วก็ลุกล้มก็เริ่มใหม่เริ่มใหม่สุดท้ายเขาขี่เป็นเพราะเขานะไม่กลัวความล้มเหลวหรือว่าไม่ปล่อยความล้มเหลวมาเป็นอุปสรรคแล้วเขาก็ไม่ได้คาดหวังตอนแรกว่าจะต้องเป็นจะต้องขับเป็นโดยไม่ล้มเลย ตอนเด็กๆ เ, เราก็เดินเป็นเพราะเหตุเนี่ยนะตอนที่เราเป็นทาลกเนี่ยเราก็เดินแล้วเราก็ล้มแล้วเราก็ลุกแล้วก็เดินแล้วก็ล้มแล้วก็ลุกไม่มีใครที่เดินเป็นเลยเราเริ่มต้นด้วยความล้มเหลวความผิดพลาดแต่เราก็ไม่ท้อให้การปฏิ บ, บัติการจลสติเหมือนกันนะ มันก็เริ่มต้นด้วยความใจที่หลงนะใจที่ฟุง้งหลงตะพื้ตะพือฟุ้งตะพื้ตะพือแต่ว่านะไม่ท้อถอยไม่ล้มเลิกและที่ทำให้เราทำได้เรื่อยๆรื่ก็เพราะว่าไม่กลัวผิดหรือเพราะว่าเราทำเล่นๆทำเล่นๆมันก็เลยทำได้นานให้ทำจริงๆเนี่ยนะทำด้ทำค ท, ทำด้วยความคิดว่าจะเอาจะเอา อย่าให้ใจสงบเนี่ยพวกนี้มักจะทำได้ไม่นานขนาดห้านาทีก็ไม่ทำเลยเพราะว่าฟุง้งห้านาทีมัก็ไม่ได้นานอะไรนะแต่หลายคนบอกอุย้ยไม่ทำดีกว่ามันฟุ้งมากเหลือเกินนี่เพราะอะไรนะเพราะว่าไปคาดหวังมากไม่ได้ทำเล่นๆ น, นะทำเล่นๆไปทำเล่นๆทำไปเรื่อยๆต่อไปมันจะเริ่เม เ, เข้าใจคำว่า เห็นไม่เข้าไปเป็นนะเห็นไม่เข้าไปเป็นอันนี้สำคัญมากเลยนะเห็นความคิดไม่เป็นผู้คิดเห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธนะเห็นความฟุ้งไม่เป็นผู้ฟุ้งต่างกันนะความฟุ้งมีนะแต่ว่าไม่ไปยึดว่ามันเป็นเราฟุ้งแต่ว่าเห็นมัน มันฟุ้งก็ฟุ้งไปนะแต่ว่าเราแค่เห็นไม่คข้าเปรตเป็นความโกรธไม่อยู่นะแต่ว่าไม่เป็นผู้โกรธนะเห็นความโกรธแค่พอเห็นนี่แหละนะไอ้ความฟุ้งความโกรธความเศร้ามันจึงทําอะไรใจไม่ได้มันเหมือนกับกองไฟนะกองไฟกองใหญ่ถ้าว่าเราไปอยู่กลางกองไฟเราจะร้อน แต่ถ้าเราออกมาจากกองไฟออกมายืนดูห่างๆนะความร้อนมันก็จะลดลงความทุกข์ก็จะน้อยลงไฟยังมีอยู่นะแต่ว่าเราไม่รู้สึกทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเรายืนอยู่ห่างกองไฟเราเป็นแค่ผู้ดูอันนี้เรียกว่าเห็นความโกรธนะแต่เป็นผู้โกรธคือมันเข้าไปอยู่ในกองไฟเลยความฟุ้งซ่านก็เหมือนกันนะความฟุ้งซ่านมันก็ คล้ายๆกันก็คือถ้าเราไม่เห็นแล้วก็ไปเป็นนะเราก็เราก็หงุ ด, ห ง, ดหงิดงุดง่านหรือว่าหลงหนักขึ้นมันมีก็ไม่เป็นปัญหาถ้าเราเห็นมันเช่นเดียวกับความปวดความเมื่อยนะความปวดความเมื่อยเพราะนั่งนานมันเป็นปัญหาเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ปวดกายหรือปวดขา แต่ว่าใจก็รู้สึกปวดตามไปด้วยใจมันไปยึดเอาความปวดของกายมาเป็นความปวดของกูนัใจมันก็เลยทุกข์แต่พอเรามีสติเห็นจากเติมที่เห็นความฟุ้งซ่านเห็นความโกรธเห็นความเศร้าเราก็ไม่มีพัฒนาการมาเห็นเวทนาคือความเจ็บความปวดเห็นความปวดไม่เป็นผู้ปวดนะความปวดความเมื่อยก็เป็นเรื่องของกายไปนะ แต่ใจไม่ทุกข์นะบางทีเราก็ห้ามไม่ได้นะความปวดเนี่ยบางคนก็นั่งนานๆไม่ไหวนั่งนานๆก็ที่เรื่องไม่ไหวเพราะใจมันปวดไปด้วยแต่พอใจมันเป็นแค่เห็นไม่เข้าไปเป็นการนั่งนานๆก็กลายเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากเพราะว่ามันปวดแต่กายนะใจไม่ปวดนะอันนี้เพราะว่ามีสตินะ ช่วยเห็นไม้เขาไปเป็นเอ้ยเราไม่ไ่ต้องไปกําจัดความปวดนะเพราะบางทีเรากําจัดไม่ได้บางคนเป็นมะเร็งปวดมากไม่มียาที่จะระงับปวดแต่เขาก็อยู่กับความปวดได้เพราะอะไรเพราะว่าความปวดมันถูกจำกัดอยู่แค่กายนะใจไม่ได้ปวดไม่ได้ทุกข์ด้วยเช่นถ้าเรา มองแบบนี้ก็จะเห็นว่าการอยู่ออกับความฟุ้งซ่านนี่ไม่ใช่เรื่องอต้องเรียกว่าเป็นเรื่องจิตจอยมากเมื่อเทียอกับการที่เราต้องอยู่เมื่อเที่บกับความสามารถในการอยู่ออกับความเจ็บความปวดการปฏิบัติเนี่ยการจลศริตริแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยทีจริงก็รวมถึงการจลศริตริ ป, ปัจฐานนะในพุทธศาสนาเนี่ยจุดมุ่งหมายไม่ได้เพื่อควบคุมความคิดนะแต่เพื่อไม่ให้ความคิดมาควบคุมเรานะต่างกันนะ บางคนมาปฏิบัติเพราะว่าตั้งใจจะควบคุมความคิดให้มันอยู่มือจะต้องไม่คิดเลยคิดแบบนี้หรือตั้งใจแบบนี้ก็จะผิดหวังแล้วก็จะทุกข์แล้วก็จะท้อแล้วก็จะเลิกแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนนะความเข้าใจเสียอใหม่ไม่ได้มุง่งปฏิบัติไม่ได้มุ่งควบคุมความคิดไม่ให้ไม่ใช่ทำให้ความคิดมันหายไป แต่ปฏิบัติเพื่อไม่ให้ความคิดมาควบคุมเราคือมันคิดก็คิดไปแต่จะมาควบคุมบงการจิตใจไม่ได้ทำไม่ได้มีความโกรธแต่ความโกรธก็มาควบคุมบงังบัญชาการหรือบงการให้เราดา่าให้เราทำร้ายเข้าของนะมันทำไม่ได้ต่อไปเพราะว่า เราเห็นมันเรารู้ทันมันนะเราวางระยะห่างจากมันเหมือนกองไฟที่กองใหญ่แค่ไหนแต่ถ้าเราอยู่ห่างจากมันมันก็ทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวสักพักมันก็หายไปดับไปเพราะว่าไม่มีใครไปเติมเชื้อเติมฟืนเติมไฟให้มัน <c oughs> ไอการผักใส่การกดขมด่มต่างหาที่เป็นเสมือนการเติมเชื้อเติมฟืนให้มันนะเหมือนกับทีนะ่ยกข้อความเมื่อสักครู่มันนี้ อะไรที่เธอผลักไสจะคงอยู่อะไรที่เธอตะหนักรู้นะมันจะหายไปนะเอาคำนี้ก็ฝ่าวเ้เตอนนี้นะ